ราชากริสลีนานมาแล้วมีอาณาจักรที่เป็นของราชายิ่งใหญ่เขามีลูกสาวแสนสวยที่เขาอยากจะให้ออกเรือนแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าหญิงที่สวยมากนั้นกลับมีความเย่อหยิ่งและทัศนคติไม่ดีราชาคิดว่าานายได้แต่งงานแล้วนางจะดีขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าหญิงกลับไม่จริงจังนางชอบปั่นประสาท ทำตัวไม่ดีกับเจ้าชายทุกคนที่จะแต่งงานกับนางเพื่อรักทั้งหลายราชาและเจ้าชายทั้งหลายตอนนี้ลูกสาวของข้าจะมาเจอพวกท่านคนนี้เตี้ยไปคนนี้อ้วนเป็นองคนนี้สูงยังกับสาวหลักเมืองเตี้ยไปยังกับติ่มซำเจ้าหญิงสามารถล้อแล้วว่าราชาเจ้าชายได้ยุคโ อ, อ หรือว่าท่านเขาทุกคนพ่อของนางราชาที่ยิ่งใหญ่โกรธมากแต่ต้องเงียบจนกระทั่งนางรู้ถูกราชาคนดีคนหนึ่งที่ไว้หนวดดูเขาสิหนวดยังก็ไม่กวาดเก่าเรียกว่าหนวดกริสลีดีไัมยนะกล้าดียังไงกล้าดียังไงที่ดูถูกชายแสนดีเหล่านี้พ่อจะขอประกาศให้เจ้าต้องแต่งงาน กับคนแรกที่เข้าประตูนี้มาไม่ว่างเขาจะเป็นเจ้าชายหรือว่าขอทานหลังจากนั้นอีกสองวันราชาก็ได้ตามที่เขาต้องการเพราะว่ามีนักดนตรีคนหนึ่งเดินทางเข้ามาที่สวนของเขามาเล่นฟุตและเริ่มขอเงินมันทำให้ราชาสนใจมากเขาสั่งยามเ้งหมดให้ตามชายคนนั้นเข้ามาและตามคำสั่งของท่านเขาสั่งให้เจ้าหญิงแต่งงานกับขอทานคนนั้น ขอทานคนนั้นตกใจมากและมีความสุขแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าหญิงร้องไห้และไม่ยอมแต่ราชาไม่ฟังและยืนยันว่าการแต่งงานจะต้องเกิดขึ้นเขาสั่งคู่รักใหม่ด้วยว่าเอาละ่ะเตรียมพร้อมเดินทางได้แล้วเจ้าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เจ้าจะต้องเดินทางไปกับสามีของเจ้าหลังจากนั้นขอทานกับภรรยาใหม่ของเขาออกไปจับวัง ไปเจอโลกที่ไม่รู้จักพวกเขาเดินทางไกลและหนักมากหลังจากไม่กี่วันพวกเขาก็ไปถึงป่าที่สวยงามแล้วป่านี้มันเป็นของใครเหรอมันเป็นของราชาที่ยิ่งใหญ่หนวดกรสลีโออฉันน่งโดจริงๆพวกเขาเดินทางกันต่อและไปถึงทุ่งหญ้าใหญ่แล้วทุ่งหญ้านี้มันเป็นของใครล่ะ มันเป็นของราชาที่ยิ่งใหญ่ดวดกริสลี่เอ้าฉันนี่ง้อจริงๆและพวกเขาก็ไปถึงเมืองใหญ่แล้วเมืองนี้มันเป็นของใครกันล่ะมันเป็นของราชาที่ยิ่งใหญ่ดวดกริสลี่เอ้ฉันนี่ง้อจริงๆฉันไม่น่าปฏิเสธเขาเลยทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะข้าไม่ได้เป็นสามีที่ดีพอสำหรับเจ้าเหรอ เจ้าหญิงเงียบและขอทานไปที่ชาญเมืองไปที่กระท่อมเล็กๆและเจ้าหญิงก็ทึ่งเป็นอย่างมากพระเจ้านี่มันเล็กมากเลยไหนคนใช้ของเจ้าละ่ะคนใช้เหรอที่รักเจ้ากับข้าจะต้องทำอะไรด้วยตัวเองไม่มีคนใช้หรอกนะพวกเขามีอาหารจำกัดในกระท่อมซึ่งกินหมดอย่างรวดเร็ว เจ้าหญิงทำอาหารไม่ได้เพราะนางไม่เคยทําสามีของนางเลยช่วยนางทําสามีของนางตัดต้นยูโลมาจากป่าบอกให้เจ้าหญิงสารตระกา้านางร้องไห้แต่กลับทำให้ตัวเองเป็นแผลสามีของนางเริ่มโกรธเจ้าทำอาหารไม่ได้ทําตะก้าไม่ได้ข้าได้อะไรมาเนี่ยเจ้าไม่มีประโยชน์อะไรเลยข้าจะหาอะไรให้เจ้าเองสามีของนาง เลยไปหาหม้อและไหามาและไปเปิดร้านที่ถนนให้ภรยาของเขาขายเพราะเจ้าหญิงสวยมากคนมากมายเลยมาซื้อไหของเขาคนมากมายจะซื้อหม้อมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งนางไปเปิดร้านที่ข้างถนนจนกระทั่งทหารเมาๆคนหนึ่งขี่มา้าตามาและทําให้ไหทั้งหมดของนางแตกเจ้าหญิงเสียใจมากจนร้องไห้ เราจะเป็นยังไงสามีเราจะว่ายังไงล่ะเนี่ยนางวิ่งกลับบ้านและไปเล่าให้สามีฟังเจ้านี่โง่แค่ไหนที่ไปตั้งร้านที่ข้างถนนกันงานนี้เจ้าก็ทำไม่ได้สินะข้าไปที่วังแล้วไปถามที่นั่นว่าอยากได้สาวใช้ในครัวหรือเปล่าพวกเขาบอกว่าจะรับเจ้าทำงานเจ้าจะต้องไปเป็นสาวใช้ในครัวหลังจากนั้นเจ้าหญิงเลยไปทางานที่ครัวของวัง ทำงานใช้แรงทั้งหมดนางต้องเช็ดพื้นเตาผิงเตาอบหม้อกระทะและภานชนะต่างๆเมื่อจบแต่ละวันนางจะได้เนื้อกลับบ้านทำงานไปไม่กี่วันนางก็รู้ว่าลูกชายคนโตของราชาได้ประกาศอภิเสกสมรสทุกคนตื่นเต้นกันมากแต่เจ้าหญิงทำได้แค่เศร้า แล้วเงียบต่อไปการเตรียมงานเกิดขึ้นอย่างเต็มที่แล้วนางไปแอบดูทางหน้าต่างเพื่อที่จะดูแขกมากมายถ้าเราไม่เย่อหยิงมาก่อนเราคงไม่เจออะไรแบบนี้เราอาจจะได้แต่งงานกับราชาหนวนกริสลีเราทําอะไรลงไปเนี่ยข้าได้ยินชื่อของข้าเหรอเอ้ราชาข้าขอโทษนะข้าเสียใจที่ท่านต้องมาเห็นข้าในสภาพนี้ไม่ต้องห่วงเลย ข้าไม่ได้มาคนเดียวมากับข้านางถูกนำไปที่ลานพิธีที่นั่นมีคนชั้นสูงรวมไปถึงพ่อของนางร่วมงานด้วยพวกเขาหัวเราะทันทีที่ได้เห็นสภาพของนางนางรู้สึกเจ็บปวดมากข้าขอโทษที่หยาบคายกับทุกคนตอนนี้ข้าเรียนรู้บทเรียนแล้วล่ะไม่ต้องควงลงเจ้าหญิงข้าคือขอทานที่แต่งงานกับเจ้าและอยู่กับเจ้ามาโดยตลอด ข้าคือทหารที่ทำลายหม้อและหายของเจ้าข้าทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้ารู้ว่าความเย่อหยิ่งมันไม่ดีและมันเป็นคุณสมบัติที่ไม่ดีถ้าเราจะมีติดตัวเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนนี้แล้วความเย่อหยิ่งของเจ้าหมดไปแล้วมาราชินีของข้าจับมือข้าและเป็นภรยาข้าพวกเขาแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันตลอดไปยังมีความสุข Body b o a r d